วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2536 การบรรยายพระอภิธรรมเบื้องต้นซึ่งอาเหตุกิจท่าน หมายเลข 19 ในหัวข้อที่ 4 มโนทวาราวชนะจิตนั้นถ้า 2 ตําแหน่งในวิถีจิตต่างคือจิตจะทําพวกสัปปนจิตคือจิต แต่มโนทวารวัศนะจิตเมื่อทํางานทางวิถีก็จะทํา 2 อย่างอยู่ในขณะจิตเดียวกันที่เรียก ละตอมกันนั้นก็เป็นง่ายๆก็คือ โดยรู้รู้รู้สึกตัวเกิดบุญเกิดบาปได้ในทันทีหลังจากของวโนทวราชนจิต เอกสารในข้อที่ 1 นั้นก็บอกว่ามโนทวารเราชนะจิตมโนทวารเนี่ยแยกตัด มโนทวารวจนะจิตก็เป็นใจแต่ใจที่เรียกว่าเป็นทวารเป็น มีภวังคจิตเป็นเหตุใกล้ที่สําคัญคือตาทั้งดวงไม่ถือว่าเป็นประสาทความ ต้องตั้งลูกตานะฮะต้องหมายปราสาทเท่านั้นเพราะว่าตําแหน่งตรงปราสาทนั้นเป็นเช่นรูปอารมณ์ สัปปติกะคือกระทบแล้วทําให้เกิดจิตนะทําให้ได้ที่นั่นชื่อ คือการกระทบแต่กระทบแล้วกระทบเฉยๆไม่เกิดอะไรขึ้นนั้นไม่เรียกว่าเป็นที่กระทบหรือเป็นได้เรียกว่าเป็น ทีนี้ทางจิตเหมือนกันจิตที่เราแบ่งจิตออกเป็น 2 ส่วนคือ 1 ส่วนที่เป็นส่วนอารมณ์ ภูมิเครือหรือความรู้สึกที่อยู่ในขั้นตอนส่วนต้นๆของก็ตามก็เรียกว่าตื่นทั้งนั้นทีนี้อ่าจิตที่เรียกว่าภวังค์คือความหลับ นะกระทบภราดร์แต่กระเทือนไปถึงภวังค์เมื่อกระเทือนไปถึงภวังค์ภวังค์ก็ไม่หา ประหนึ่งอารมณ์อันหนึ่งที่เป็นปัจจัยให้จิตตื่นโดยประจำอารมณ์แล้วภวังค์เองก็เป็นปัจจัยอีกอันหนึ่งหรือไปทําให้กระทบเกลือนแล้ว จึงถือว่าจิตหลับนั้นเป็นธวาลเป็นมโนธวาลจิตตื่นน่ะเป็น ช่องทางที่จิตออกมารับอารมณ์อยู่ที่ว่าเมื่อ อารมณ์ใหม่ไปกระทบแล้วอ่าตัวจิตตนที่เรียกว่าวิถีจิตก็ปรากฏขึ้นวิถีจิตก็ปรากฏขึ้นอารมณ์ไปกระทบเนี่ยมันไม่ได้ ถ้าหากว่าอารมณ์ไปกระทบหัวใจเนื่องจากมีฐานะเป็นปฏปารมณ์ไปทําให้หัวใจเกิดการกระทบกับเดือน แล้วพอจุดที่มันลั่นเข้าไปทําความสั่นประเทือนให้เป็นที่หมายของอารมณ์เบื้องต้นนั้นก็คงหวังเพราะว่าเราตื่นจากความหลับเรามีความหลับเนี่ยเป็นเป็นพื้นอยู่แม้ว่าเวลา อารมณ์ที่ไปทําให้ระวังไหวนั่นแหละนะฮะไอ้รับอารมณ์ที่มาทําให้พะวัง วิถีจิตจึงเกิดจึงต้องต้องนั้นอาศัยอารมณ์เป็นด้วยอาศัยภวังค์เป็นปัจจัยด้วยภวังค์เป็นปัจจัย อันทวารฉะนั้นคําว่าเป็นตวารจึงมองอย่าง คือจักขุตวารลิงศีก็ไม่มีทางออกมารับอารมณ์เพราะฉะนั้นทาง ภาวานนั้นชื่อว่าเป็นปัจจัยแก่วิถีนั้นก็เป็นที่อาศัยออกมารับ 2 อย่างเนี่ยนะภาวานอารมณ์ประตูเราล่ะครับประตูบ้านเราเนี่ยประตู แล้วเวลาเค้ามันก็อาจจะต่างกับไอ้ประตูบ้านเราตรงที่ว่าบางทีไม่มีใครมาก่อประตูแล้ว ในการปลีกเลนอย่างนั้นพอได้ปลีกเลนอยู่ในถ้ําว่าถ้าไม่มี เขาเป็นทวารในเหตุผลในการอธิบายลึกไปในด้านอื่นอีกส่วน จำนะบางคนต้องใส่แว่นแล้วไม่ได้ใส่แว่นเนี่ย ตบะเราจะไม่ได้ยินใครอธิบายมโนทวารเนี่ยเราจะไม่ แล้วภวังค์ของเรานั้นเราไม่สามารถที่จะไปหาแว่นมาใส่เหมือนกับประสาทตาหรือจะไปเที่ยวป่าตรงป่าตัดหาไอ้ และเหตุที่ปฏิสนธิที่มีคุณภาพแตกต่างกันนั้นตาบอดไปข้างๆยังยังพอจะไม่ตายได้ <c oughs> ด้ยด้ยที่ถือเอาการตรัสรู้ทําได้วิปากาวรที่เราเรียกเนี่ยเป็นสูตร วิปากกาวรนะท่านชี้เลยว่าหมายถึงคุณภาพของภวังคจิตผู้ที่มีภวังคจิตเป็นติเหตุกะคือประกอบด้วยเหตุ 3 ประการไม่ไม่ ไม่มีห่ามอคือไม่มีปัญญาติดเป็นเชื้ออยู่ในเมล็ดพืช ในความมึนคิดในอะไรต่อมีอะไรสามารถจะแก้มันได้ในความไม่เป็นในความที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะจะแก้ได้ต่อเมื่อตายไอ้อย่างที่มันไม่ นี่คือความหมายของคําว่ามโนทวารคือตัวนี้แล้วเราจึงพูดนะตัวจิตตัวไม่ มโนทวารกําลังปรากฏแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วก็เป็นมโนทวารวิถี ถึงไม่ทราบหากว่าในคําว่ามโนทวาราวจนะนี่ก็อีกอย่างนึงอีกครับมโนทวารก็อย่าง ในความตื่นความตื่นจิตนอกจากดวงนี้ไม่เรียกมโนตวาราวจนะจิตถึงอารมณ์ที่กระทบใจอารมณ์ที่กระทบใจก็หมายถึงกระทบที่พะวังกระทบที่ระวังทํา เอ่อตรงนี้ก็ความจริงน่ะน่าพิจารณากันต่อไปว่าจะกระทบได้ยังไงกระทบอย่างไรเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่อธิบายแล้วดีแต่ว่ายังคงทิ้งเรื่องนี้ไว้ก่อน มันสามารถจะทํากิจคือทําหน้าที่กิจคือกระทําต่ออารมณ์นั่นเองครับกระทําต่ออารมณ์ด้วยอาการว่าอย่างไรก็เรียกกิจนั้นโดยอาการอย่างนั้น หน้าที่ของจิตทุกดวงคือกระทำต่ออารมณ์กระทำกับอาลัยคือจิตรู้อารมณ์รู้โดยอาการต่างๆกันโดยขั้นตอนต่างๆกันก็ทางปัญจทวารวิธีนั้นทำหน้าที่ตัดสินทางมโนทวาร มีกําลังมากก็เพราะว่ามันไปเมื่อไป ท่านเลือกอย่างเดียวสําหรับในอภิธรรมปทังกาเมื่อเลือกอย่างเดียวก็ จึงต่อไปมโนทวารเราชนะเป็นนี่อาจจะว่าเป็นจิตเป็นจิตเริ่มต้นของเป็นจิตตื่นอารมณ์กับมโนทวารก็ ไม่เหมือนกับอ่าทางปัญจทวารอันนี้ให้ให้ให้นิดตรงนี้ ทีนี้จักขุวิญญาณเวลาเกิดมันก็มาเกิดที่ตาตายัง 3 องค์ประกอบ เพราะมันขาดภวังค์อยู่แล้วมโนทวาราจนะเกิดไม่ได้มันกลายไปอย่างนั้นไปตรงกันกับไอ้ปัญจตวาลไปต้องภวังค์ขึ้นไปก่อนพ้นขณะไปก่อนมโนทวาราจนะถึงเกิดได้นี่แปลว่าไอ้ตัวกลางไม่อยู่คนกลางไม่อยู่มันรับแล้วมัน อันนี้ก็เป็นข้อฝ่างอันหนึ่งแล้วก็เป็นข้อที่มาอ่าอันนี้ก็พูดถึงทางมโนทวารธรรมกิจทางนั้นทีนี้โวธทัปนะเป็นชื่อกิจที่มโนทวาสนะจิตกระทํา อ่าถ้าทางปัญจตวาลอ่าทางมโนทวาลมันอยู่ส่วนต้นต้นแรก ข้างหน้าเป็นสันเทนนะขึ้นไปจนกระทั่งถึงปัญจาตวราชนะข้างหลังนั้น เอาล่ะครับนี่ผมก็ว่าในนี้ทีนี้ที่จะ อ่าวิถีจิตที่ผมเขียนขึ้นมาแล้วว่าวิถีจิตที่เขียนนี้เป็นปัญจทวารวิถีเราจะเห็นว่าวิถีจิตทางทาง เราพูดถึงชีวิตเป็นไปตามกรรมอะไรอะไรก็ฟังก็คนจะไม่เชื่อว่าฟังเรารู้ บางวันก็ไม่มีกันนะฮะอภิธรรมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับแต่การอธิบายทุกๆแม้เอาเป็นว่าใน กฎของกรรมเป็นตัวหลักที่สําคัญอ่าแล้วก็กรรมเนี่ยถ้าเราจะที่เรา ตรงชวนะตรงชวนะนะผมหยิบมาเฉพาะเนี่ยก็มีมากมายก่าย แต่พลังมีรูปแบบต่างๆกันไปเช่นพลังทางนิสัยเนี่ยอย่างนี้มีครับ นิสัยอื่นๆส่วนอื่นๆความเคยชินอื่นๆและกิเลสที่สงเคราะห์เป็นนิสัยรูป พลังในลูกกรรมแล้วท่านยกเข้ามาเป็นอนันตนาในแง่ของตะละวัฏนะนิสัยที่ไม่ดีคือกิเลสทั้งหลาย ที่กรรมมันเข้าไปช่วยกันสร้างช่วยกันเสริมคืออะไรคือวิบากในหมายวิบากที่กรรมทํากรรมแล้วถ้าเนี่ยจริงอยู่ชื่อแม้ ตัณหันเป็นผลกรรมที่ต้องมีกิเลสเข้าไปมีส่วนเลยไอ้กิเลนคือนิสัยหนึ่งอุปนิสัยในรูปหนึ่งในดวงตาในตาน้อยนั่นแหละก็คืออุปนิสัยหรือมีอินทรีย์กล้าอินทรีย์อ่อนก็หมายความว่าท่านยกความดีเสมอพูดไอ้มีกําลังแรงกว่า อินทรีย์อ่อนหมายถึงกําลังความดีนั้นไม่มากแต่กิเลสมีคืออุปนิสัยที่ดีนั้นเอ่อแล้ว เพราะฉะนั้นน่ะครับตามกับกิเลสจึงเป็นผลที่เราได้จากทวนาส่วนอื่นจุดอื่นเนี่ยไม่เป็นที่เพราะกรรมเพราะกิเลส ในทางดีก็ตามต่างๆโตหรือจนแต่ความนึกคิดเท่านั้นเป็นแต่ อยู่ในกุศลฌานะนะแต่เมื่อใดเราเกิด ที่เป็นตัวระดับใดก็ตามนั่นหลับเราว่าอกุศลชวนะ เรามันเข้าไปเข้ากลองเนี่ยจึงทําให้กุศลมัน ที่ตัวไวบุญเราไม่หลุดรอยหมดแล้วเหรอเนี่ยเจ้าอุทิศเครื่องประสนให้คนอื่นเค้ายังอดคิดไม่ พลังในด้านกรรมทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยมันส่งผลออกมา อัลติเมนสร้างรูปด้วยแต่นี้ทีนี้มันไม่ยังไม่ไม่อยากจะพูดไปถึงรูปที่เป็นกรรมชรูปนะ เหมือนจะไปข้ามจิตให้โผล่ขึ้นมาได้เองอย่างนั้นมันนำได้แต่เสียงนี่มาเกิดขึ้น พอวังณจิตอันนี้ก็เป็นกรรมทวนหนึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นกรรมส่วน อติกาภวังค์ภวังคตนะภวังคุกปัจเจตะเป็นวิบากจิตเกิดจากกรรมแล้วก็ปัญจทวาราชนะนั้นเป็นกิริยา ก็ไม่ได้อิสระโดยสิ้นเชิงต่อมันลับอารมณ์ที่เป็นผลผลิตของกรรมเรียกว่าเต็มตัวของมัน ว่าลำพังจิตเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมันก็มีแต่ตัวมันเองกับอารมณ์ อาลัมก็กำนำไม้ที่ส่งต่อกันมาโดย มันขึ้นประมาณแต่ตอนจะลงความหลับก็จนเกิดอุบัติเกี่ยวทางจิตขึ้น ในส่วนของวิบัติจิตทีนี้มามองในอารมณ์เราจะเห็นว่าในส่วนของอารมณ์ ได้วิธีที่ 1 โดยการนําอารมณ์เนี่ยบางขณะจิต จะเน้นให้ดูนะฮะว่าเราย้อนไปถึงปัญจทวารอาชนะนิดนึงที่ว่าเป็นกิริยาแปลว่าอาการที่สักแต่ว่ากระทําตัวเองก็ไม่ได้เป็นกรรมใหม่แล้วก็ไม่ได้เป็นผลของกรรมเก่าปัญจทวารอาชนะจิตนั้นเกิด อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในกายแล้วมันก็นะฮะอันนี้จะ <c oughs> ละได้รับพลังจากนิสัยนิสัยเก่าของเราเนี่ยมาได้ช่องตรงขณะจิต <c oughs> ชวนะเกิดแล้วก็ดับไปหรือเฉพาะในโวธทัปนังจิตหรือในมโนตวารเนี่ยนี่ เกิดขึ้นโดยความเป็นความปลดความโลกความหลงเป็นสัตตาเป็นวิริยะอะไรแล้วก็ตามนิสัยนั้นจะถูกสูดสรรดานๆไปไม่ว่าจะเป็นโทวังคจิตมันก็รับนิสัยนั้นๆมานิสัย ก็เราพูดได้ว่าถ้าเขาถามว่านิสัยนั้นเกิดที่ตะละบอกเกิดที่จิตจิต มันอตวาดาจนะนี่คือจุดที่มันแสดงบังลังก์แสดงผลทางนิสัยออกมาเราเรามองอย่างนี้ว่าคนคนหนึ่งเค้านอนหลับอยู่เพราะเค้าโปรดเมื่อกี้ สู่ทอดอยู่ในความหลับถูกสู่ทอดอยู่ในความหลับแต่ถามว่านิสัยนั้นได้แสดงพลัง จิตเหล่านั้นก็ถือว่ารับสิทธิ์ทอดนิสัยเท่านั้นจิตใดที่รับสิทธิ์ เมื่อนามมันจะแสดงพลังของก็แสดงออกทางชวนะได้มาจากชวนะเก่าแล้วก็แสดงออกทางชวนะใหม่อ่าเลยให้ดูฮะให้ดูแล้วจะเห็นว่าแสดง ซึ่งทุกอย่างที่มันสั่งสมไว้ปลงมโนทวาราชนะไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคนกําลัง เอาความโกรธมาจากไหนก็บอกเอาความโกรธมาจากชวนะเก่ามันมาให้โกรธใหม่เนี่ยมันไม่สามารถที่ให้โกรธ นี่คือตัวตัดสินเนี่ยมันมันก็เปลี่ยนไปอย่างเนี้ยครับเกิดเจตณาแล้ว มันที่การที่เรียกว่าโยนิโสและโยนิโสน่ะทํากันตรงนี้ก็ยังอาจแล้วถ้าหากว่าไปหยุดไปบอกอะไรมันตรงนี้ไม่ได้ แล้วการทําใจมันเกิดขึ้นได้ยังเอ่อเมื่อ คนก็ถามทางวิทยุว่าเกี่ยวกับวิถีคิดบางคนได้ดีเห็นไม่ดีที่เห็นแต่รู้ถูกต้องดีไม่เนี่ยเราบังคับมันได้มั้ย คนถามผมก็บอกว่าเค้าอ่ะมันน่าจะมี 2 อย่างนะครับ เราทดเพลงมาเปิดที่เราชอบมึงก็ได้ยินดีแล้วเมื่อเราบังคับได้เนี่ยกินอาหารจะดมซื้อน้ำหอมมาจะเลือกกินจะกินก๋วยเตี๋ยวรามหน้า เมื่อเราน่ะบังคับกรรมได้ใช่หรือไม่ใช่เอ่อทีนี้เอ่อท่านผู้ตอบท่านก็บอกว่ามันเป็นผมฟังแล้วผมก็ก็นึกว่า อามไม่ผิดแล้วก็ถามถูกคือว่าการให้ผลของกรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยมัน อธิบายตรงนี้ตรงนี้เยอะเลยทีเดียวในในทางของเรา อาการความไม่หมั่นเพลินมนทินของบ้านเรือนก็คือคนไม่ขยันทํางานบ้านเรือน ขายบ้านทั้งบ้านก็ไม่มีทางไม่มีทางที่จะได้สิ่งนั้นไม่มีทาง อ่าเรียกว่าอย่างที่ให้ได้ดูรูปสวยๆฟังเสียงดีๆถูกถึงทุกอย่างทําไมเป็นอย่างน่ะอยู่ สัตว์ตระกูลตระกูลด้วยอยู่ที่บุคคลแต่ละคนแต่ละคนนะฮะนี่ก็ซอยออกไปเถอะว่าอย่างกรรมบางเช่นไอ้เจ้าของดินมีอํานาจใหญ่โตฆ่า มีทางพ้นน่ะลูกถ้าโมฆะลาณะข้าพ่อข้าแม่มาก็ไม่พ้นต้องถูกฆ่าตายพระพุทธเจ้าก็หลายเรื่อง เนี่ยก็มีคนอ่าเล่นหุ้นแล้วก็ถามว่ามันกําลังขึ้นจะขายดีมั้ยขายดี ไอ้จะไม่ขายถ้าเดี๋ยวมันเกินหล่นลงขึ้น <c oughs> ได้ดีใจว่าเออซื้อจากเรานี่ไปโชคดีจะได้คบกับเราต่อไปพอหลังเราจะได้ขายซื้ออะไรก็คงพูดกันไปอย่างถ้า เรเรเรเรามีเมตตาคนอื่นแล้วก็เชื่อกรรมก็แบ่งกันนะฮะว่าเออเราก็ขายเราก็ได้มาตรวจนี้เราได้กําไรเพิ่มถ้าจะขายต้อง เนี่ยถ้าเราบุญจะได้แค่นั้นก็แค่นั้นก็จะจะได้ไม่เสียใจทีหลังขายที่อ่ะหลอกไปเรามาเนี่ย มันกลับไม่ใช่พยายามที่จะเอาตัวรอดความพยายามคือพยายามที่ใหญ่ให้ตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์ในคนอื่นเค้าเสียหายนะฮะถึงแม้ว่ามันจะ ใช้ความพยายามที่ความพยายามที่อุ้มคนอื่นเข้าไปด้วยให้ไปด้วยกัน แตกต่างกันกันผลในทางสังคมก็แตกต่างด้วยเปล่าเนี่ยเวลาเอ่อตัวมโนทวารอาวัชนะที่เรา <c oughs> ข้อ 6 ข้อ 6 <c oughs> ข้อ 6 แล้วก็มีข้อย่อยที่กล่าวว่าชวนนปฏิปาทกะมนสิกาณที่แปลว่าความใส่ <c oughs> จึงมาจึงเกิดที่เสพรสของอารมณ์เกิดโดยความเป็นบุญเป็นบาปสืบต่อจากนั้นเพราะฉะนั้นเหตุอัน <c oughs> แต่ถ้าว่าทางมโนทวารทําทางมโนทวารแล้วก็เป็นมโนทวารราวจนจิตที่ทําหน้าที่ทําให้เกิด ก็ใส่ใจโดยไม่แยกใครถามว่าใส่ใจโดยแยกใครและไม่แยกใครถามว่าใส่ใจในอะไร นั่นมันก็รับอารมณ์นั้นอยู่แล้วทีนี้การที่มันรับอารมณ์นั้นแล้วแล้วก่อนว่าใน ในเรารู้อยู่แล้วของการปฏิบัติเนี่ยเรารู้อยู่แล้วที่เรารู้สึกว่าเราทําได้อยู่แล้วคืออย่างไรอันเป็นธรรมที่จะพูดอ่ะอย่างเช่นเรา